ศาสนาพุทธเราเป็นธรรมล้ค่าหาที่กัดที่แย้งไม่ได้หากว่าชาวพุทธเราได้นำศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อตัวเองครอบครัวหน้าที่การงานทั้งส่วนตัวและส่วนรวมแล้ว ชาพูดธแจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากทีเดียวในสิ่งสำคัญที่ความสนใจที่จะปฏิบัติต่อหลักธรรมให้สมชื่อสมนามว่าเป็นชาวพุทธนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่ปรากฏแต่คําพูดติดปากนั้นว่าถือศาสนาพุทธแต่สิ่งที่ติดใจนั้นก็คือ ถือตามความอยากความต้องการความสะดวกสบายความเห็นแก่ได้มีเป็นพื้นของจิตที่ชุนรากจิตให้แสดงออกอยู่ตลอดเวลาคำว่าพุทธนั้นไม่ค่อยปรากฏเลยหากได้นำพุทธศาสนาไปปฏิบัติสมนามว่าเป็นชาวพุทธแล้ว บ้านเมืองก็จะมีความร่วมเย็ยนเป็นสสังคมน้อยใหญ่แม้ว่าบ้านนอกในเมืองจะมีความร่วมเย็ยนเป็นคนเราเมื่อเชื่อใจกันได้ก็เชื่อถือกันเชื่อใจกันไม่ได้ก็จะหาความเชื่อถือกันมาจากไหนเพราะความเชื่อถือมาจากความเชื่อใจกันตัวเอง แต่ละลายละลายก็เชื่อตัวเองไม่ได้แนนล้วจะไปกว้านเราคนอื่นมาให้เชื่อตัวเองได้อย่างไรเราก็เชื่อเราไม่ได้ในขณะเดียวกันก็เชื่อเขาไม่ได้สุดท้ายก็ไม่มีใครเชื่อกันได้ไว้บางใจกันไม่ได้สิ่งที่ทำให้ไว้บางใจกันไม่ได้าะ สิ่งที่ทำลายความไม่หวางใจขั้นมันตั้งอยู่ภายในจิตใจแล ะ, ะแสดงออกอยู่เสมอในเมื่อได้โอกาสพอจะแสดงออกทั้งที่แจ้งและที่รับการงานจริงไม่ว่าส่นใจส่วนย่อยส่วนไหนๆก็ตามจริงเต็มไปด้วยสิ่งกปกโศมโอันไม่ใช่เรื่องของพุทธของชาวพุทธ จะพึงทำอย่างนั้นได้แต่ก็ทำกันได้อย่างออกหน้าออกตาเพราะสิ่ง น, นั้นมันมีอำนาจมากและมีความรู้สึกอย่างเดียวกันนิยมอย่างเดียวกันการกระทำหรือกิจยาที่แสดงออกทุกประเภทจึงเป็นอย่างเดียวกันเป็นหมด และรวมในความว่าเป็นอย่างเดียวกันไปหมดนั้นเป็นสิ่งที่ไว้ใจกันไม่ได้ทั้งเพย์เดียวนี่เอามาเทียบกับหลักพุทธศาสนากับชาวพุทธเหล่านั้นไกลกันมากเหมือนกับอยู่คนละโลกแม้แต่ทํางานเกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็ไม่พ้นที่จะเอาสิ่งทําลายเข้ามาแทรกหรือถึงกับออกหน้าออกตาจนได้ มุ่งเป็นเช่นนั้นทําจะเจริญได้อย่างไรศาสนาจเจริญในหัวใจคนได้อย่างไรก็มีแต่สิ่งที่มันเคยเจริญอยู่ในหัวใจสัตว์โลกมานานแยะนั่นแหละทําให้สัตว์โลกได้รับความรู้ความเดือดร้อนความบุม่มบู m คิดหายไปเป็นลาดับลำนาแล้วมันมีความเข็ดหลาบกันเลยทั้งทั้งที่สิ่งที่จะทําให้เข็ดหลาบความรู้ที่จะทําให้เข็ดหลาบมีอยู่ ศาสนาธรรมถ้านำเข้าไปปฏิบัตินำเข้าไปพินิษ์พิจารณาเทียบเพียงในทางคุณและโทษแล้วจะมีเครื่องมือใดเหนือสติปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนานี่ไปได้ที่จะมาให้รู้ตามหลักความจริงทั้งหลายมีเมื่อย่นเข้ามา ถึงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้เป็นแต่เพียง ว, ว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นหากไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องเครือบแฝงอยู่ทุกทุกระยะในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยกันฉะนั้นจึงได้เตือนแล้วเตือนเราเพื่อให้รู้กลมายาของสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ฝังอยู่ภายในจิตใจและแสดง ออกมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดความคิดเพราะเป็นความเคยชินของสิ่ง น, นั้นเป็นทางเดินอันราบรื่นของสิ่งไม่ดีทั้งหลายเดินเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินล่างนอนลเลยอย่าว่าทุกข์ขนาจิตก็ได้ถ้ามันมีสติปัญญาคอยสั่งติชมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะมีแต่ทางควานขวายมีแต่ทางกรอบโกย ของกิเลสอาสวะเพื่อนำทุกมาสู่เราอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมจริงต้องได้ใช้ความพินิตพิแจน่าใช้ความอุตสาหพยายามมีความจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลดับลำดาไม่เช่นนั้นก็ไม่ทันสิ่งที่รวดเร็วและราบรืนซึ่งแสดงตัว อยู่ภายในใจมาเป็นประจำเราจะเห็นได้เวลา <c oughs> เริ่มต้นฝึกหัดปฏิบัติธรรมคือจิตตะภรราวนาส่วนยากๆก่อนนั้นเราก็ไม่ต้องพูดตัวหลักวินยัย น, นี้เป็นส่วนยากหลักธรรมนี่สำคัญขณะปฏิบรรัติเริ่มในขั้นเริ่มแรบกบ มีแต่ล้มเท่านั้นลุกไม่ค่อยจะได้มีแต่ล้มแต่ปิ้งไปเรื่อยคือจิตมันงอกเงยขึ้นไม่ได้พอพยายามตั้งสติขึ้นมาสักครู่เดียวเท่านั้นล้มไปแล้วนานเท่าไหร่เวลาล้มไปแล้วปิ้งไปเลยเจ้าของไม่ไม่รู้เพราะ มีสิ่งหนึ่งทำให้ล้มและสิ่งหนึ่งทำให้ปิ้งจึงลุกยากเวลาล้มลงไปแล้วฟื้นได้ยากมีแต่ปิ้ ง, งไปเรื่อยๆบงทั้งที่เราก็พยายามอยู่อย่างเต็มใจแต่อุบายวิธีการต่างๆของเราที่จะต่อสู้กับสิ่งรวดเร็ว สิ่งที่จัดเกณ์บนหัวใจเราอันเป็นฝ่ายต่งนั้นมันเหลือกำลังที่เราจะต่อสู้ต้านทานมันได้พอตั้งใจได้ขณะเดียวก็เหมือนกับจะลุกมันเองเดี๋ยวล้มลุกล้มแล้วตั้งใจว่าจะลุกมันลุกไม่ขึ้นคือมันเตะกลิ้งไปเรื่อย พยายามตั้งสิ่งที่จะเป็นท้าสึกรู้สึกว่ามันรวดเร็วมากทีเดียว <c oughs> ทางตาก็เร็วเข้าสู่ความรู้สึกทางหูก็เข้าสู่ความรู้สึกที่จะยั่งกิเลสให้กำเริบขึ้นเป็นไก่เป็นกองนั้นรวดเร็วมากสิ่งสมัมผัสส้มพันทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายของกิเลส ถ้ากอบกลยวผลประโยชน์แล้วรู้สึกว่ามันรวดเร็วมันไม่ทันด้างานงานไหมนี้หน้าที่การงานอะไรก็ตามตั้งหน้าตั้งตาจะฝึกภาวนาเพื่อใจให้มีความสงบด้วยบทธรรมบทใดก็ไม่พ้นที่จะหลุดลอยจากบทธรรมจากธรรมบทนั้นออกไปด้วยอำนาจของกิเลสถูดลากไปจนได้ นี่ได้คิดย้อนหลังภาคปฏิบัติเบื้องต้นคิดอยู่ดีๆเวลาเรายังไม่ได้ปฏิบัติความคึกขนองของมันก็มีแต่สึกยังไม่แสดงรวดลายให้เห็นอย่างชัดเจนและรวดเร็วเหมือนขณะออกปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกซึ่งแสดงอย่างรวดเร็วทีเดียว จะแดงอาการกาเริบรักก็ง่ายเียดก็ง่ายชุนเฉียวก็ง่า ย, ย, ายอะไรอะไรเร็วไปหมดถึงกับต้องงงในตัวเองเห็นแต่ก่อนเขาไม่เห็นปรากฏถึงเช่นนี้ในเวลาที่ยังไม่ได้ตั้งใจประวฤตปฏิบัติแต่เมื่อ ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วแทนที่สิ่งเหล่านี้จะค่อยจาลงไปจางไปทําไมจึงกลับรวดเร็วขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันเช่นนี้นันเป็นเพราะเหตุไครคาว่าเป็นเพราะเหตุไรก็ถามไปอย่างนั้นแหละไม่ทราบสาเหตุของมันความจริงก็คือความรวดเร็วของมันแต่เราจะยกไว้ประเภทหนึ่งก็ได้คือในขณะที่เรามาฝึกฝนอบรมนั้นเรามีแทติอยู่บ้าง นกจริงทราบความรวดเร็วของกิเลสประเภทต่างๆได้พอประมาณแต่เราไม่อยากจะพูดเช่นนี้อยากจะพูดว่ามันท้าทายเรานั่นเพื่อจะให้มีแก่ใจต่อสู่กันให้หนักหน่วงมันไปกว่าเท่าที่เป็นกว่าที่เป็นอยู่มีเวลาจิตมันไม่สงบเป็นเช่นนั้นใจนี้เป็นตัวคลึกตัวขอนองรวดเร็วที่สุดใน ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเหมือนกับอย่างว่าออกท่าทายเราเราตั้งใจจะปราบมันมันกับท่าทายเราเพราะมันเคยปราบเราอยู่แล้วพราแม่สาวมันจะปราบเราอะไรอีกนอกจากมันท้าทายท่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆว่าล้มลุกคานลุกได้แต่ทั่วขณะแล้วก็คลานไปเลยวิ้งไปเลยมาก แต่อย่างไรก็ตามเมื่อความมุ่งมั่นความอุตส่าห์พยายามการเป็นนักต่อสู้ยังมีอยู่ภายใ น, ในใจแล้วก็พ้นเงื้อมือแห่งความาทากเปียนเหล่านี้ไปนั่ได้จิตที่เคยคึกคนองไม่คาดคิดว่าจะสงบตัวลงได้เลย ก็สงบลงได้ด้วยอำนาจแห่งการต่อสู้หรือภาคเพียรบึกเบินงจนได้เมื่อจิตสงบลงให้เห็นชัดเจนแล้วก็เป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจเรี่กว่าใจได้เรือนอยู่แล้ว พอถอยออกมาจากความสงบความเ อ, ม อ, อ, เอิมอิ่มของเอิบอิ่มของใจที่เคยได้รับในขณะที่ใจสงบนั้นก็แสดงเป็นผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความกละยิบอยู่ภายในใจเพิ่มศรัทธาขึ้นเพิ่มความมั่นใจขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มความเพียรความอุตสาห์พยายามขึ้นมาโดยลำดับลำดับ ใจก็ยิ่งนับวันสงบลงไปสิ่งที่รวดเร็วทั้งหลายหรือสิ่งเร็วร้ายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจมีความสงบเป็นเดือนอยู่เรือนภาพของตัวเองย่อมมีความรุ่มเย็นเป็นสุดมีท่านเรียกว่าสมถะธรรมสมถะธรรมนี่เลเป็นเดือนอยู่ของใจ ใจไม่ยิ่นดนกวาดแต่งจนหาที่จอดทีแวะไม่ได้เหมือนอย่างแต่ก่อนอพอตั้งตัวได้ด้วยความสงบใจใจมีธรรมคือความสงบเป็นเครื่องดื่มย่อมเอิบอินภายในใจไม่หิวไม่กระหายไม่คว้านุ่นคว้านี้เหมือนดังที่เคยเป็นมา นี่คือผลอย่างการปฏิบัติมาจากความลน้มลุกคุกขานากลายเป็นความตั้งตัวได้ในขั้นนี้เมื่อใจตั้งตัวได้แล้วก็ต้องเสริมกำลังเขาโดยลำดับย่ำด่าคำว่าความสงบนั้นไม่ได้อยู่คงที่ดังที่ปรากฏในขั้นเดิมแล้ว ย่อมจะเรียนตัวเองเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนสงบลงจนแนวแน่ลำดับจากนั้นก็เป็นพื้นฐานของสมาธิขึ้นที่ใจใจจะสงบอารมณ์ก็ต่างยังมีความคิดปรุงแต่งอะไรอยู่ก็าตาม ก็ไม่วุ่นวายไม่ได้คิดปรุงแต่งไปทั้งที่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อกำหนดย้อนมาดูความรู้นี้ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสงบของตนเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจจนถึงกับแน่นหนามันคงประจักษ์ตระหนึ่งว่าหินทั้งก้อนนั้น แน่น น, นั่น น, น, น, นี่คือพื้นฐานแห่งความสงของใจมีเลวะใจมีอาหารมีเครื่องดื่มมีทมเป็นเครื่องอยู่คือสมถะสมะถมสมะธรรมเย็นสบายเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาพอเริ่มเห็นความแปลกประหลาดความสุขความสบายซึ่งไม่เคยเป็นมาภายในใจตัวเองแต่ได้ปรากฏขึ้นด้วย การปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือปฏิบัติจิตภาวนาใจไม่วอกแวกทอนแข็งใจทรงตัวอยู่ด้วยความสงบเสมอกับสมาธิขั้นนี้กับความสงบประเภทนี้อยู่ไหนก็พออยู่พอไปสบายความวุ่นวายไม่มารบกวนจิตนั่นเองไม่ออก ว่านหายาพิษมาเผาตนเองเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะมีทรรมเป็นธรรมรถความล้มลุกครานก็ค่อยจางไปจางไปเพื่อความถูกต้องแม่นยำเพื่อไม่เสียเวล่ำเวลาในการประพฤติปฏิบัติซึ่งส่วนมากมักเป็นกันทางนั้นคือเมื่อจิตมีความสงบ และมีความสงบจนเป็นพื้นฐานแล้วคนเราชอบสะดวกชอบสบายก็อยู่ที่นั่นเสียติดอยู่ในความสงบเพลินอยู่ในความสงบเสียไม่อยากจะคิดอ่านทางด้านปัญญาพิจารณาให้เกิดความแย่บขายและเป็นความสุขอละเอียดอ่อนยิ่งกว่านั้นเป็นลาดับไปทั้งนี้เพราะใจยังไม่เคยเห็นผลทางด้านปัญญา เห็นผลเฉพาะทางด้านสมาธิจึงต้องปิดพันกันอยู่กับนี้ <c oughs> ดีไม่ดีไม่สนใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาเลยเพราะออกหยิบออ ก, ออกคิ ด, ออคดทางด้านปัญญาเพียงเล็กๆแน่นอนซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานก็เกิดความลำคานใจเสียเช่นเดียวกับคนขี้เกียจไปทำงานขุดดินฟันไม้ตัด แดบตากฝนเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นความไม่สะดวกไม่สบายแล้วแล้วก็กลับเข้ามานอนอยู่ในร่มเสียงานก็ไม่ได้อะไรมีผู้ที่เพลินในสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันสมาธิเป็นเพียงที่พักของใจชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ใช่เป็นมากเป็นผลที่จะตายใจได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมจึงต้องออกพิจารณาทางด้านปัญญาหลังจากใจได้รับความสงบในขณะพรมาลงสู่ความสงบและถอนและถอนขึ้นมาแล้วพิจารณาแยกแยะทางท่าทางขันภายนอกภายในได้ทั้งนั้นในอย่างเอาจริงเอาจังเพราะตอนนี้จิตยังไม่เห็นคุณค่าของปัญญา จึงไม่อยากคิดด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ความบังคับและใช้สติจดจ่อควบคุมกับงานของตนในการพิจารณาบังคับมาให้หนีไปจากงานที่ทำนั้นเห็นแ ย, แย่เยอะดูท่าดูขันสิ่งที่เคยรักเคยชอบเคยติดเคยพันเคยถือเป็นตัวเป็นตนหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในอวัยว ะ, ย ะ, วะนี้ จะ แ, แยกให้เห็นตามความรินจึงต้องได้ใช้สติบังคับปัญญาให้รองไปตามพินิจพิจารณาไปตามนั้นไม่ยอมให้ทะเลถลายไปที่ไหนและในขณะเดียวกันกิจก็อินตัวกับสมาธิอยู่แล้วเมื่อบังคับให้ทำงานก็ย่อมทำนอกจากว่ายังไม่เคยเห็นผลของงานทางด้านปัญญาเท่านั้น จิตไม่อยากทำงานในการค้นคิดเพราอถูกบังคับหรือเข้าใจจากครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนโดยอุบายวิธีให้แลว้วก็ย่อมตั้งหน้าตั้งตาเดินเพราะความเชื่อนั้นแม้ตนจะยังไม่เคยปรากฏผลมาก็ตามแต่ก็เชื่อในความจริงที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะให้ก็ย่อมทำตามในขั้นเริ่มแรกของปัญญาจะเกิดนี้เป็นการลาบาก อยู่บ้างมันไม่อยากทํางานทางด้านปัญญาพูดในไงอยากจะมานอนสบายสบายอยู่ในสมาธิซึ่งก็ไม่ไปถึงไหนเหมือนอย่างคนเดินทางไปถึงร่มไม้ก็อยู่นั้นจะสบายเย็นเยอะจะ ก, ก้าเดินไปก็ขี้เกียจตากแดดตากฝนนอนอยนู่นั้นมันก็ไม่ถึงไหนดูเห็นนี้ปัญญาในขั้นเริ่มแรกจึงต้องได้ถ้า การบังคับบัญชาพิจารณาลงไปเป็นตะขันทั้งมวลเป็นสัจธรรมคือของจริงอันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกๆอาการพิจารณาให้ดีจิตในขั้นสมาธิหริกจิตธรรมดาย่อมจะเกิดความรักชอบหรือมีความรักชอบเป็นพื้นฐานอยู่ภายใน จ, จิตใจแล้วเฉ่เพราะอย่างยิ่งก็ รูปประขันจึงต้องได้พิจารณารูปประขันอันเป็นสิ่งสําคัญให้เป็นคู่ปรับกันกับความรักสวยรักงามที่คลายดูให้เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ยอมให้กิเลสมันกล่องเจอสันปัญนยอของปลอมขึ้นมากล่องสันโลกหลงตามกันไปหมด ไม่มีรายใดจะรู้สึกตัวได้เลยว่าสิ่งานี้เป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จะเศษสันตันยอขึ้นมาเป็นความจริงอย่างหนึ่งตานพิเดว่าเป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่รังท้าวอดเป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดนี่งฝังลึกการพิจารณาปัญญาก็เพื่อจะถอดถอนความฝังลึกแห่งความจำปลอมนี้ ขึ้นมาโดยลำหนบด้วยการพิจารณาแยกขายในร่างกายอันนี้ยิมมีความสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดก็ตามบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายนี้ให้จับนั้นเป็นต้นเหตุเป็นจุดพิจารณาแล้วจะซึมซาบไปหมด เพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกี่ยวโยงกันไปทั้งนั้นหมดทั้งร่างพูดทงเรื่องอสุภะอสุพังกามแตกสลายทำลายความปฏิกูลโสโครแล้วก็ร่างกายมนุษย์เหล่านี้เป็นที่น่งนี่ร่างกายมนุษย์คือไข่มนมษยนก็ร่างกายของเหล่านี้เป็นที่หนึ่งของไครก็เป็นที่หนึ่งเหมือนกันจึงแข่งกันไม่ได้ เพราะมันเป็นหนึ่งด้วยกันในความเป็นของปฏิบูรณ์เป็นป่าช้าผีดิบทั้งทั้งที่ยังไม่ตายมันก็เป็นป่าช้าอยู่แล้วภายในมีอะไรเต็มอยู่ในนั้นหนังบางๆเท่านั้นหลอกนิดเดียวก็เพิ่มหลับไปตามแล้วเราจะว่าเราโง่หรือฉลาดนี่ละ่ะอุบายของพิริเลยมันเอาของบางๆมาหลอกเราก็ยังเชื่อมัน ถ้าม่เาปัญญาเข้าไปแก้ไปปลดไปถอดไปถอนไปลื้อออกจะไม่มีวันถอดถอนได้เลยจะถูกมันปิดอยู่นั้นตลอดจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปให้ฝังใจเข้าสู่ความจริงสิ่งที่กิเลสได้ศึกษปัญนยอมาทั้งมวลเป็นเรื่องจมตลอมทั้งนั้น แต่ทำมีสติธรรมปัญญาทำเป็นต้นแทรกเข้าไปถึงไหนจะเป็นของจริงขึ้นมาตามส่วนแห่งกําลังของสติปัญญาและจะเป็นของจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกําลังกล้าและพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจริงจอมปลอมทั้งหลายก็จะคลายตัวออกไปโดยหลักธรรมชาติของมันที่สู้ความจริงคือทําไม่ได้ และการพิจารณาก็ไม่ต้องขาดต้องหมายภายนอกภายในมรรคผลอันใดทั้งนั้นแต่พิจารณาให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับจุดหมายหรือเป้าหมายที่เราพิจารณานั้นหรือในวงงานนั้นพิจารณาให้ชัดเจนอย่าเสียดายความคิดที่จะปล่อยให้มันทะเลตะเลยไปข้างนอกนอกจากหลักก็จะทํา มันเป็นทางของกิเลสทั้งหมดต้องหกักต้องห้ามอดยอมอดยอ ม, อดยอมทนกันนักปฏิบัติไม่อดไม่ทนไม่ต่อสู้ไม่ฝืนใจไม่ได้การปล่อยตามใจคือปล่อยตามกิเลสนั่นแหละให้ชุดลากไปการฝืนใจการบังคับตัวเองนั่นคือการต่อสู้กิเลสการฝืนกิเลสการบังคับการต้านทานกิเลสจําเอาไว้นัพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจ การพิจารณาภายในยังตามธรรมดามักจะยากกว่าพิจารณาภายนอกเช่นรูปประขันนี้เป็นต้นท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้านั่นหละเพื่อจะได้ลิมิตอันไม่พึงปราถนานั้นเข้ามาเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ในธาตุขันของเรานี้ให้เป็นที่เข้าใจทั้งภายนอกภายในนี้ว่าเป็นสิ่งเหมือนกันเสมอกัน ได้หลักได้เกณฑ์เมื่อภายในนี้ได้หลักได้เกณฑ์แล้วภายนอกก็ปล่อยเองทีแรกก็นำภายนอกเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นคุยหมายป้าทางเจ้ากาะเพื่อจะเข้าสู่ภายในขันของเราคือรูปปักขันเหออุบายของพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้แก้ให้ถอดให้ถอ น, ใ ห, ถอนให้ทันกลุ่มายาของชีเลตเมื่อไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่ง ไม่ได้แง่หนึ่งให้เอาแง่หนึ่งเอาจนได้ใครจะแหลมคมยิ่งกว่าพระพุ้ดไเจ้าเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเช่นนี้ไม่ยอมให้จิตออกหนีจากวงสัจธรรมซึ่งเป็นทางราบลื่นเป็นทางมากทางผลทางถอดถอนกิเลสบังคับไว้ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องคล้อยตามจึงชื่อว่าต่อสู้ ทนเอาเพราะเราเป็นนักต่อสู้ไม่ทนต่อค่าสิบได้อย่างไรที่เหล็เป็นค่าศิกทั้งมวลไม่จะเป็นมิตรเป็นสหายพอที่จะตายใจกับมันแหนใดก็าตามขึ้นเชื่อที่เหล็กแล้วจะเป็นแห่แห่งจัตจูทั้งนั้นสแสดงออกมาเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเรายังจะเสียดายเรายังจะเคลิบเคลิมลงไหลกับมันอยู่ได้อย่างไงเราต้องใช้สติปัญญาต่อสู้ต้านทาน ความเพียรมีเท่าไรทุ่มลงไปอย่างอื่นเราเคยเพียรมาแล้วก็ได้ผลเพราะอำนาจแห่งหความเพียรให้เห็นประจัดเราเพียรทางด้านจิตใจเพียรทางด้านธรรมะเพียรเพื่อถอดถอนตนเอง <c oughs> ทำไมจะเพียรไม่ได้ทัตติปัญญาใช้ยอย่างอื่นเราก็เคยใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอใจมาเป็นน้าหนักเหตุใ <c oughs> ดนามาใช้ทงด้านธรรมะแะก้กิเลสปัญหาอสะซึ่งเป็นสิ่งที่ ละเอียดแล้มผมมากและบังคับสัตว์ทั้งหลายให้เย็นว่าตาเกิดคือในวัฏจักรนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราทําไมจะทําไม่ได้เมื่อเห็นโทษของมันเต็มหัวใจอยู่ที่นั่นแล้วต้องในฝืนต้องในพิจารณาทุกเพราะความภาคเพียรนี้ไม่มีอะไรทําให้ร่มจมให้เสียหายไม่เหมือน ทุกเพราะอำนาจของเิเดตปีบบังคับเราไม่ว่าพบน้อยพบใหญ่แม้ปัจจุบันนี้ก็เิเดตไม่เคยให้ความสุู่ความสบายแก่เราเลยมีแต่ความทุกข์ความทรมาณทั้งนั้นหากจะมีบ้างก็หมาทั้งมาเราจะตายจรงจริงมันก็เอาเครื่องล่อมากรอกนิดน่ะพอพื้นตัวขึ้นมามันก็จับยาพิษยัดลงไปใส่ลงไป ให้ดิ้นดนกวนกวาอีกอยู่อย่างนี้ล่วยไปยังไม่ควรสงสัยเรื่องของกิเดฒว่าจะพาวิเศษวิสโสไปที่ไหนอีกหากิเดฒพาวิเศษวิสโสแล้วโลกนี้เป็นโลกแห่งกิเดฒทั้งหมวลไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดตลอดถึงกัดเิกสารมันก็ควรจะวิเศษไปตามๆกันหมดแล้วทำตั้งหากพาให้ผู้ปฏิบัตินิเศษวิสโสพ้นจากทุกไปได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นต้องเพียรต้องพยายามเราบวชมาเพื่อเพียรเราบวชมาเพื่อพยายามเราบวชมาเพื่อจะต่อสู้สงครามอะไก็ตามให้ได้เหมือนสงครามระหว่างกิเลส ก, กับธรรมต่อสู้กันเราเองก็เป็นเวทีเป็นร่างกายเป็นเวทีจิตใจก็เป็นเวทีระหว่างของระหว่างกิเลส ก, กับธรรมต่อสู้กัน ก็ต้องมีการกระทบกระเทือนบ้างเป็นธรรมดานี่เราทำความเข้าใจไว้แล้วก็จะไปอิจฉาอาใจที่ไหนกันวันชนะจะมีอยู่จนได้ในเมื่อมีการต่อสู้สติปัญญายาัละนี่แหละอาวุธอันสาคัญของผู้ปฏิบัติที่จะกำจัดจริงเลวร้ายทั้งหลายภายในใจให้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจของสติปัญญานี้เป็นสาคัญอยู่มากทีเดียว ศรัทธาความเพียรศรัทธาความเชื่อกเป็นพื้นเป็นเครื่องจูงใจวิริยะความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้ต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะได้เป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเรามีคาสำคัญเวลาใช้ <c oughs> ทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ทําจริงๆ จ, จังๆถือเป็นการเป็นงานยิ่งกว่างานอื่นใดทั้งนั้น การต่อสู้กิเลสทาเล่นไม่ได้นะกิเลสไม่เคยมีกิเลสประเภทใดม า, มาทำเล่นกับเราพอเราจะต่อสู้กับกิเลสแบบเล่นๆอยากกินบ้างไม่กินบ้างนั่นนะเป็นการแพ้มันวันดังคำหาความชนะไม่ได้เลยจิงต้องเอากินเ อ, อกจังตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกไปเรื่อยแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินออกไป เห็นคุณค่าของปัญญาเห็นผลประจักษ์ใจว่าปัญญาได้ถอดถอนกิเลสประเภทใดบ้างซึ่งเป็นยาพิษทั้งหมดออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วจิตจะเพิ่มพลังขึ้นมาเป็นลํำดับเห็นคุณค่าแห่งปัญญามากขึ้นแล้เห็นคุณค่าแห่งความพ้นจากทุกข์มากขึ้นในขณะเดียวกันเห็นโทษของกิเลอาสวะทุกประเภทอย่างถึงใจถึงใจเมื่อต่างอันต่าง เห็นอย่างถึงใจแล้วย่อมรวมมาเป็นพลังของใจให้มีแก่ใจที่จะฟาดฟันกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจที่คลานอันเป็นเรื่องของกิเลสก็หายหน้าไปเองนี่คือว่าเราชนะมันแล้วความขี้เกียจความอิดหนาละอาใจเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่ได้ชนะมันไปแล้วรู้ได้อย่างชัดช เพราะไม่มีความขี้เกียจแต่ก่อนความขี้เกียจเต็มหัวใจจะก้าวขาออกทางจงก้มก็เหมือนขาจะหลุดจะขาดจะนั่งสมาธิก็เหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะขาดทะบ้นลงไปจะกําหนดภาวนาแต่ละบทลําบาตก็เหมือนกับลมหายใจจะขาดลงไปร่างกายจะแตกจะหักนี่คือที่เด็กมันทุบมันตีมันบีบบังคับแม้ก้าวฝูทําอัน เป็นแดนที่จะสุดยิสัยของมันได้เลยมันจึงต้องกว้านออกมาบังคับบีบเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้พอเราต่อสู้มันตั้งแตเริ่มต้น่างขั้นสมาธิก็ชนะความฟุ้งซ่านแบบโลกๆไปได้แล้วเห็นได้ชัดเจนพอก้าเข้าสู่ปัญญานี่เริ่มจะเป็นสิ่งที่แปลกจากโลกเข้าไปโดยลาดับความรู้สึกของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามปัญญาธรรมนั่นแหละพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดเข้าไปตรงไหนยิ่งซูมยิ่งทราบยิ่งลึกซึ้งยิ่งละเอียดละอออ้อยอิ่เห็นความแปลกประหลาดอัจฉรย์ของธรรมขึ้นมาเป็นลําดับตาดาแล้วความขี้เกียจขี้คลานอันเป็นเรื่องของกิเกลสก็ล้มละนาวไปเองเพราะฉะนั้นท่านสิงเนอสอนไว้เกี่ยว่ากิเลสมันจะแทรกประเภทอยู่ภายนาานจในจิตใจ อย่างสังโยชน์ห้าเบื้องบนอย่างท่านกล่าวนั้นมาแหละก็เรื่องของกิเลสทั้งมวลสังโยชน์เบื้องบนห้าท่านก็สอนไว้ให้รู้จักให้วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมะเมื่อจิตมันเพลินจนเกินตัวจะไม่พักเลยอย่างนี้ท่านก็สอนให้ย้อนเขาพักในสมาธิให้พอประมาณการทํางานก็ทําเวลาพักผ่อนนอนหลับก็พักเวลารับทานอาหารก็รับทาน เวลาทํางานก็ทันตามโอกาสตามความเหมาะสม <c oughs> เวลาจิตทํางานทางด้านปัญญาก็ปล่อยให้ทําเต็มที่เต็มฐานไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิว่าจะหลุดจะลอยจะเสื่อมจะคลายไปไหนไม่ต้องไปฉุนใจอย่างไรจะรู้จะเข้าใจพินิพิจ า, ารณากระดมไปเมื่อจิตใจมีความอ่อนเพลียก็รู้เองนั่นเมื่ออ่อนเพลียในการทํางานแล้วก็ต้องย้อนเข้ามาสู่ทีพักคือสมาธิ ได้จากความสงบไม่ต้องคิกต้องปรุงเรื่องราวอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิริยาแห่งการกระทำํำระงับจิดเข้าสู่ความสงบปล่อยความคิดความปรุงทั้งมวลถ้าอยู่จากความรู้ล้วนๆหากจะอยู่ความรู้ในความรู้ล้วนๆมันไม่ยอมอยู่มันเจ้าออกทํางานก็นําคําบริกรรมบทใดบทหนึ่งมาผูกมามัดมายึดกันไว้ให้อยู่กับนั้นจริงๆไม่ต้องสนใจกับด้านปัญญาเลยในขณะนั้นนั่น คือเวลาทำหน้าที่อันใดให้เป็นหน้าที่นั้นจริงๆไม่เป็นเรือสองแคมทั้งจะ ก, ก้าวไปนู้นทั้งจะ ก, ก้าวมาทางนี้ผลดูภาพก็ไม่ได้เรื่องอะไรเวลาพักสมาธิก็พักให้สงบความสงบนั้นแลเป็นพลังของจิตที่จะออกทำงานได้อย่างคล่องตัวในทางปัญญานีนะ่สมาธิมีผลอย่างนี้นี่ผลเป็นเครื่องหนุนให้ปัญญาได้ออกทางาน เป็นเม็ดเต็มหน่วยมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเพราะเรื่องของเพราะสมาธิเป็นกำลังหนุนในเมื่อเพียรแล้วก็พักเวลาออกทำงานคือด้านปัญญาไม่ต้องมาห่วงสมาธิตั้งหน้าตั้งตาทาเวลาอ่ อ, อนเพียรทางด้านจิตใจเรารู้แล้วเรารู้เองแล้วย้อนเข้ามาพักนี่คือปฏิปทาที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่พคตไม่โคง้ง ตรงไปกับแนวทางที่จะให้เป็นความราบเรื่นเป็นความสม่ำเสมอโดยลําดับตําัา <c oughs> อันนี้ก็เถิดเรื่องความเล้งลุกคลุกขานั้นหายหน้าไปแล้วคือกิเลสค่อยเตะคอยถีบแต่ก่อนกิเลสตัวนั้นหายหน้าไปแล้วตายไปแล้วนะระหว่างความพุ่งสัน้นซึ่งเคยมีแต่ก่อนก็ถูกสมาธิเหยียบย่ําไปไปได้แล้ว มืดมวนอุตการภายในร่างกายว่านี้เป็นเรานั้นเป็นของเร า, เ ป, เ, าเป็นต้นก็ถูกปัญญาแยกแยะคลี่คลายดูหมดทุกชิ้นทุกส่วนเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งจำปรมทั้งหลายเราเหล่านี้ที่กิเลสสะสวเกลื่อนันเอาไว้ก็หมดไปหมดไปเหลือแต่ความจริงล้นล้ว น, วน ถ, ถ้าจะพิจารณาว่าเป็นอรูพาก็กองอุูพาทั้งมวลเต็มร่างกายอยู่นี้มีตรงไหนที่ เป็นของสวยของงามมีตะกองอสุภะทั้งนั้นเต็มตัวของของเราของใครก็ตามเนี่ยมีเห็นได้ชดัดถ้าจะพูดถึงเรื่องอสุภะนะก็เป็นความจริงเต็มส่วนของอสุภะหาความงามมาแทรกไม่มีเลยถ้าจะพูดถึงอนิจจังทุกขังหน้าตาซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันนี่มันก็เป็นระนั้นแท้ๆอนิจจังก็เห็นอยู่อย่างชัดเจนแปรอ ย, อยู่ตลอดเวลาทุกครั้งความบิด บ, บังคับมันก็เป็นข้างมันอยู่เช่นนั้น อนัตาอะไรเป็นเราอืมหนังหรือเป็นเราเนื้อหรือเป็นเราเอ็นกระดูกหรือเป็นเราอือาการ่าอากมสิบสองหรือเป็นเราหรือดินหรือเป็นเราน้ําหรือเป็นเราไฟหรือเป็นเราลมหรือเป็นเราลมก็เรียกว่าลมอยู่แล้วรู้ว่าลมอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไงไฟเป็นไฟอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไมดินเป็นดินน้ําเป็นน้าอยู่แล้วมาเป็นเราได้อย่างไงไม่อายเหรือน่ะพอปัรดาเข้าถึงขั้นนี้แล้วรู้รู้ ที่กิเลสมันเสกสรรปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราก็ปราบพึงไปได้มันไม่ใช่เราดินเป็นดินอืจะมาหน้าด้านเสกสรรปัญญาหลอกเราได้อย่างไรดินก็รู้กันอยู่ชัดๆน้ํารู้กันอยู่ชัดๆลมรู้กันอยู่ชดัดไฟรู้กันอยู่ชดัชดนี้จะมาหลอกเราได้อย่างไง <c oughs> เห็นกันอยู่รู้กันอยู่คือรู้โดยปัญญาเนี่ยความจริงเนี่ยมันทําลายความจําปอมนั้นออกทีนี้คําว่าหน้าตามันก็ชัตนะสิมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา จรงที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดก็คืออนัตตานั่นแหลเนี่เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดจิตก็ยิงมีความสงา่าผ่าเผอ ม, มีความองอาจกล้าหายคล่องตัวด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขี้เกียจที่คลานหายหน้าไปหมดมีตั้งแต่ได้รั้งเอาไว้ที่นี่ความเพียรที่เรียกว่าความเพียรแก่กล้ามันจะกลายเป็นอุทาจารมันฟุ้งบัดมากบัดเราก็ยับยัง้งตามที่ได้อธิบายมาแล้ว ในการพักผ่อนทางสมาธิและการทำงานด้วยปัญญาให้พอเหมาะพอสมอย่างนั้นนี่เพื่อให้เพื่อตัดกิเลสประเภทนี้ไม่เข้าไปไปสู่ทางาตาขายของมันคืออุทธัจจะความฟุ้งเกินไปก็ไม่พอดีหากข้ามเอาไว้ในเวลาที่ควรพักเอาไว้รังเอาไว้นี่กิเลสตัวไหนแต่ก่อนมันซ่านไปหมดกิเลสเป็นเจ้าอำนาจ คลองหมดในร่างอันนี้ร่างกายทุกส่วนมันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นเป็นมันทั้งนั้นพุนในไ ง, ไงแล้วแตกกระจายลงไปเมื้อความจริงคือปัญญาตีลงไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันเป็นความจริงดั้งเดิมไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราดังนั้นจะมีถึงเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารนิยมนี่ก็เป็นเครื่องมือของยิ่เล็ ที่เมาแทรกมาสิงกิกรรมนี้ เ, เราเจ็บปวดที่ตรงไหนก็ว่าเราเจ็บเราปวดพิจารณาลมทางเวทนาเอาเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกายกับเวทนาทุกขเวทนามันปรากฏขึ้นมาแยกแย ะ, แยะดูให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาก็สักว่าเวทนาที่ปรากฏขึ้นแล้วดับไปเท่านั้นกายก็มีอยู่เช่นนี้ตามหลักธรรมชาติของกายต่า ง, อ, า ง, อ, ง, าง อ, อันต่างไม่รู้เรื่องต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันและกันจะว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่แล้ว เป็นของการละกันได้อย่างไรว่ากายเป็นทุกข์ทุกเป็นกายได้อย่างไรมันต่างอันต่างจริงไประจามมาผสมประเสริมาบวกกันทําไมปัญญามีแยกออกให้เห็นตามความจริงก็มีแต่ความสําคัญมันหมายที่ออกไปจากที่เดียดนี้แหละว่าร่างกายเป็นทุกข์มาทุกเป็นร่างกายเมื่อแยกเข้าไปให้เห็นตามความจริงแล้วทุกข์ก็กสักแต่ว่าทุกข์กายศัพแต่ว่ากายไม่ปรากฏว่าเป็นเวรเป็นภัยแก่ผู้ใดนอกจาก กิเลสตัวมันแทรกสิงทางสัญญาให้สําคัญมั่นหมายว่าเราทุกอย่างนั้นเราทุกอย่างนี้ต่ังหะนี่เมื่อเวลาพิจารณาแยกแยกสิ่ ง, งนั้นแล้วมันจะพ้นการย้อนเข้ามาสู่ใจที่เป็นตัวการอันซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสได้อย่างไรมันก็ต้องย้อนเข้ามารู้เมื่อใจได้รู้สิ่งนั้นว่าเป็นนั่นสิ่งนั้นเป็นนั่นแล้วใจก็ไม่ไปอยูอ่ใจก็ไม่ไปสําคัญมั่นหมายจริงนั้นก็เป็นความจริงขึ้นมาเพราะใจจรินตามหลักธรรมชาติของตนในขั้นนี้น่ะ สังขารวิญญาณปุงอะไรอะไรดีชั่วมันนับเทนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วดีก็ตามชั่วก็ตามเพราะทำคำว่าทำสุดยอดยังวิเศษยิ่งกว่าดีดีนี่ไปอีกไม่ว่างเพราะด้านท่านพิจลรทั้งบุญทั้งบาปท้ากินนาโศกเรียกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลผู้มีบุญและบาปพันล้าเสียแล้วคือดีกว่าละชั่วกว็ละบุญก็ละบาปก็ละเพราะเป็นสมมุติด้วยกันสายดีใส่ชั่วเป็นของคู่เคียงกันไป แต่พอถึงที่แล้วปล่อยทั้งสอง <c oughs> นี่กับเราแยกพิจารณาเข้าไปขนาดดูตรงไหนก็ไม่เห็นมีเรามีของเราเห็นได้อย่างชัดชัดประจักษ์ใจหรือประจักษ์ปัญญานั่นแหละลงได้อย่างถึงสิ่งความจริงทั้งหลายด้วยปัญญาแล้วจะหวั่นได้อย่างไงเนี่ยสันติทิโกเห็นในใจอ๋ออย่างนี้เองอย่างนี้เองไม่ต้องบอกปล่อยโดยปล่อยเลย ยี่เลศไม่มีที่หลบซ่อนแล้วถูกทําลายไปหมดตั้งแต่รูปประขันก็ถึงเวทนาสัญญาสัญขญันวิญญาณขันตีต้อนเข้าไปต้เข้าไปด้วยปัญญาตามขั้นภูมิของปัญญาตามขั้นของยี่เลศจนกระทั่งไม่มีที่อยู่ก็ไปรวมอยู่ที่ใจพิจารณาที่ไหนก็ไม่พิจารณาเพรารู้แล้วเนี่ยนั่นความประจักษ์เป็นอย่างนี้การพิจารณาร่างกายที่เคยเป็นเวทีแห่งการพิจารณาเห็น การต่อสู้กับกิเลสมันก็หมดความหมายไปเวทนาสัญญาสังขารวิญาณแต่ละอย่างอย่างหมดความหมายไปอืมมันกเหลือแต่ตัวรังใหญ่ของมันกษัตรย์วัตจักรที่กลมคืนเป็นอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นเองความจริงก็ไม่ได้กลมกลืนเราหอกพูดอย่างนั้นถ้ามันพูดเช่นนั้นมันก็จะไปหลงจิดเอตจะไปสงวนจิตรักจิตรักจิตก็รักกิเลสรักวัตจักรวัตจิตนั่นแหล ท่านจริงม่ให้เว้นอะไรก็ตามอะไรจะขาดจะพังทลายไปแล้วกันทั้งหมดก็ให้รู้แม้ที่สุดใจที่รู้ๆอยูน่นี่มันจะพังไปด้วยกิเลสไปตามกิเลสขั้นมันรู้สิเมื่อถึงขั้นที่จะเอาให้ราบต้องราบหมดไม่ให้มีเกาะมีดอนไว้เลยนี่จึงเรียกว่าลบสมมติภาณในจิตใจลบกิเลสทุกประเภทภาณในจิตใจลบตรงจุดจุดท้ายก็คือลบอวิชชาทําลายวิชชาพังอวิชชามันทลายลงไปแล้ว ไปไหนที่นี่กิดดับไหมนะก็มีธรรมะแต่กิเลสเท่นั้นเองมันดับนานมันตลอมันดับไปได้มากถูกของจริงฟาดกันลงไปก็แหลกแตกกระจายเหมือธรรมชาตินี่พังทลายลงไปแล้วอะไรกิดดวงนั้นกับกิดดวงก่อนดวงทั้งๆ ท, ที่เป็นดวงเดียวกันนี่แหละขณะที่ร่มรูกคูคราร มาเป็นลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นนี้แล้วเป็นอย่างไรใจของคนคนเดียวนั้นอิสระความสุขความสาบายกับความทุกข์ที่เคยเป็นมาต่างกันอย่างไรบ้างความโง่ความฉลาดของใจดวงนี้ตั้งแต่ขั้นนั้นมาถึงขั้นนี้เป็นอย่างไรบ้างน่ะรู้ได้ชาดยึดดวงนี้แหละถึงขั้นฉลาดจอมฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจอมกษัตริย์วัตจักร ลงจากหัวใจได้อย่างไงต้องฉลาดหนัวจอมกรรษัตวัตจักรอย่งที่รี่ไจอมฉลาดน่ความทุกข์ทั้งมวลที่นี่ที่เราต่อสู้ที่เดือดนั้นมาให้เราล่มจมที่ตรงไหนให้เราเสียหายที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่เดืยกไม่เห็นมีความเสียหายที่ตรงไหน ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ตั้งมัวนก็คือความบริสุทธิ์ของจใจเป็นอีกหนึเต็มที่แล้วจริงเมืองว่างฮออยู่ไหนอยู่ฮ อ, อยู่ในสมมุติอยู่ในธาตุขันก็ไม่ใช่สมมุติไม่ใช่ธาตุแต่ขันธาตุขันจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหนักมากน้อยเพียงไหรก็เป็นเรื่องของธาตุของขันไม่ใช่วิสัยที่จะเข้าประสับประสานกันกันกบธรรมชาติที่เป็นวิมุต t นั้นเห็นได้อย่างชัดชั เพราะฉะนั้นพระคีนาศบท่านท่านจะตายในท่าใดาพิยาบทใดก็ตามก็คือพระคีนาศตายนเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุขันธ์จะแสดงอาการพิริยาอย่างไรขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนโรค ท, ทั่วไปก็ตามก็ดิกพิษแพ้พิษแพงไปต่างๆก็ตามหรือมีลักษณะมีลักษณะเหมือนร้องเหมือนคางบ้างก็ตาม เป็นเรื่องของขันที่ถูกทุกขเวทนาบีบบังคับให้ดิ้นรนให้กวัดแง่งให้เป็นไปต่างๆเช่นเดียวกับไฟที่เผาไหม้ทิ่งต่างๆทั้งหลายมีฟืนเป็นต้นจะต้องแสดงอากัดียวต่างๆขึ้นมาบางทีก็เสียงระเบิดตูมตามตูมตาม ต, ามตาม่ตางเหมือน ฟืนนั้นก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณทรงเปลวโจดฟ้านเหมือนก็มีวิญญาณจริงๆความจริงไฟก็ดีฟืนก็ดีไม่เห็นมีวิญญาณและไม่มีความรู้สึกซึ่งกันและกันเลยทั้งๆที่แสดงตัวอยู่อย่างผาดโผนในเวลานั้นมีเรื่องทาบเรื่องขันคือทุกขเวทนากับรู ป, ปรขันที่แสดงตัวต่อกันในเวลานั้นก็เช่นเดียวกับไฟไหม้ฟืนนั่นเอง มันจะมีอาการอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของสมมติที่ทำหน้าที่ต่อกันอยู่เพียงเท่านั้นซึ่งต่างฝ่ายก็ไม่รู้เรื่องของกันส่วนจิตวิมุตเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงจิตวิมุตต้องเป็นจิตวิมุตเป็นธรรมชาติวิมุตหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายอยู่โดยหลักธรรมชาติทังตนนั่นเองอะไรจะไปบังคับจิตตรงนั้นได้ไม่มีไม่มีอะไรจะเป็นมิจฉาทิฏฐิสามารถจะบังคับได้เลย เมื่อพ้นจากอันนี้ไปแล้ววิเศษหมายถ้าจะเชื่อ ว, วิเศษก็ไม่มีอะไรเทียบแล้วในสมมุตินีเนื่อธรรมของพระพุทธเจ้าพร้อมเสมอที่จะยังผลให้แก่ผู้มให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติแท้ปฏิบัติจริงไม่สงสัยไม่มีคำว่าล้าสมัย ถ้าเราไม่เป็นคนล้าสมัยใช่เองขอให้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเถอะจะไม่ไปไหนจะต้องไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วนั่นแหละนานไม่นานไม่สำคัญสำคัญที่ความจริงแหการปฏิบัติของเราให้เข้าถึงความจริงเป็นราดับลาดาจะต้องถึงความหลุดพนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่สงสัย ธรรมนี้เป็นธรรมที่คงเส้นคงมาแสดงแต่ความจริงล้วนๆความจำปลอมไม่มีเลยผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามความจริงนี้แล้วความปลอมจะมาจากไหนจะทําให้เสียผลเสียประโยชน์เสียความหวังได้อย่างไะทําไม่เคยสร้างความหมดหวังให้คนนอกจากกิเลสต่างหาสร้างความหมดหวังให้โลกมาตลอดกับตลอกันเป็นเพียงว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้กนุบาลเข้ามันที่สร้างความผิดหวังให้เท่านั้นเองจึงเป็นผู้ผิดหวังไปเรื่อยๆ ลุยมาแล้วจะลุ้ยไปผู้ปฏิบัติธรรมให้ถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงแล้วจะไม่ผิดหวังและต้องสมหวังเป็นลำดับตําดาวจนกระทั่งสมหวังเต็มที่ทุกเกษมนิชชาโตไปนิบูโตดับชนะขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลดับชนานไม่มีอะไรเลยนน ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อยู่กับความรู้คือใจของเราทั้งหลายทุกๆกท่านไม่ห่างไม่ไกลที่ไหนเป็นมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางนี้เวลารู้อยู่นี้นี่แหละนี่แหละมัชฌิมาธรรมะก็จะเข้าสู่ความรู้ที่เป็นมัชฌิมนี้ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเอาให้กินให้จังนักปฏิบัติครัพุทธิขอให้เล็งถึงพระเมตตาของพุทธิเจ้าเถิด พระองค์ลำบากลาบนมาขนาดไหนต่อสัตว์โลกนะ่ะที่แรกก็ลําบากลําบนเฉพาะพระองค์แทบเป็นแทบตายจากนั้นแล้วก็ไม่เคยที่จะอยู่ด้วยความ้าสุขสบายตามพระธาพระขันธ์ของท่านเลยอ ต, ต้องคนนะ้นขว้าแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามโลกทั้งภาระไครจะมากขึ้นกว่าภาระพระพุทธเจ้า แลหลักธรรมที่นํามาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไทยจะสามารถนํามาสั่งสอนได้นอกจากพระพุทเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะธรรมเหล่านี้วิชาเหล่านี้ไม่มีใครรู้ได้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดรู้ได้เพราะสัตต่ายังคล้องอยู่ไม่สามารถที่จะไปรู้ธรรมนี้ได้เพราะธรรมนี้ธรรมเหนือโลกนี่จิตเหนือโลกแล้วค่อยรู้ได้นํามาสอนโลกได้เนี่ยแล้วเมื่อเราคิดถึงพระพุทธ เ, ทเจ้าเช่นนี้แล้วเราก็ น่าจะมีแก่ใจบึกบืนเพราะล้างมือเปื่อยเลยนี่พระว่าครรมตงัสนมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่บกพร่องมันบกพร่องอเฉพาะเราเท่านั้นถ้าบกพร่องเราเหมือนกับล้างมือเปิดเกิดมาแลาวกลางแห่งศาสนาธรรมแล้วยังได้บวชในพุทธศาสนาพระุทธปฏิบัติตัวตามหลักธรรมแล้วจะเป็นปูท้อถอยอ่อนแอได้ยงไร ไม่สมภูมิกับความเป็นศัพท์อ่ากับความเป็นลูกศิษต์ตถาคตจึงเอาให้กินขั้งจังแม้จะไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกขเบียกก็ตามความสุขที่จะพึงได้จากการฝึกฝนธรร ม, มานตนเองนี้ออืหนีไม่พ้นต้องได้ตามขั้นภูมิของตอนตามกําลังความสามารถของตอนจนได้ฉันขอให้ทุกทุกท่านนาไปปฏิบัติการเป็นธรรมก็เห็นว่าสมควรเปลี่ยนแนี้